ห้าเยพุ ย, ยศิกาว่าด้วยระงับอธิกรณ์ตามเสียงข้างมากเรื่องภิกษุหลายรูปสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเป็นผู้บาดหมางทะเลาะวิวาทกันในท่ามกลางสงกล่าวทิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ ไม่อาจระงับอธิกรณ์นั้นได้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็นป่านี้ด้วยเยพุยยสิกาสงพึงแต่งตั้งภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หให้เป็นผู้ให้จับสลากคือหนึ่ง ไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชังสามไม่ลำเอียงเพราะหลงสี 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัวห้ารู้จักสลากที่จับแล้วและอย่างไม่ได้จับ